ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคำภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการามสี่ตุลาคมสองพหสเรื่อง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 ทุจริตเกิดขึ้นก็ได้รับฐานโทษทางบ้านเมืองเมื่อได้รับโทษก็ถูกจับถูกลกุมถูกคุมขังตัวอย่างเช่นลูกศิาษย์พระสารีบุตรเมื่อบวชบาเพ็ญคุณงามความดีก็ไม่ได้อย่างนึกเลยฝึกไปเมื่อฝึกไปก็ไปประพฤติตัวเป็นโจรเมื่อประพฤติตัวเป็นโจรเป็นขโมย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 เสร็จแล้วจึงจับโจรนั้นขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งให้เหล่านั้นเสียบแทงอวัยวะร่างกายให้เลือดไหลอาบตัวอยู่ได้รับความทุกข์อย่างสาหาัสวันหนึ่งทำตอนเช้าแล้วก็ทำตอนเที่ยงทำตอนเย็นเป่าร้องประชาชนพลเมืองมาดูตัวอย่างผู้ประพฤติตนไม่ดีต้องถูกทรมานตนอย่างนี้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 ดงควัตแล้วก็สอนสำนักธรรมให้ได้บำเออพ็ญอบรมจิตใจบำเพ็ญคุณงามความดีของตนนั้นได้แค่ปฐมฌานแต่ปฐมฌานนั้นมันยังไม่สามารถต้านฐานกิเลสตัณหาให้ขาดไปได้จึงได้ลาเพศไปเป็นหราห์ดในวันที่หกอำนาจบุญวาสนาของท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้มีความเมตตา ได้ช่วยเยียวยาสั่งสอนประชาชนทำกิจศาสนาแทนพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เล็งยานทัศนาการดูหมู่คณะสานุสิ์ว่าบวชแล้วยังอยู่ไหนบ้างฝึกแล้วไปอยู่ไหนบ้างไปประกอบอาชีพกิจการงานต่างๆอยู่ไหนบ้างและด้วยบารามีที่ได้สะสมร่วมกับท่านมาก็ได้ปรากฏแสงสว่างและเห็นลูกศิษย์คนนั้น กำลังถูกทรมานอยู่อย่างสาหาัสแล้วเขาก็จะตัดศรีศรษะประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พิจารณาเห็นอำนาจบารมีของเขาที่ได้บำเพ็ญไว้ยังมีเป็นนิสัยอยู่แต่มันเฟื่องไปหมดแม้กระนั้นความดีที่ทำไว้แล้วมันก็ยังฝังอยู่ในนั้นแหละถึงมีกเกล็ดหุ้มหอดวงกิจไว้ความดีก็ยังอยู่ เมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็ไปบินทบาทเมื่อไปบินทบาทในเวลาตอนเช้านายโจรกําลังนอนอยู่บนเหลาเหล็กและเหลาไม้รัว่วพระสารีบุตรก็ผ่านไปใกล้ๆคนก็แตกตื่นบางคนก็ตื่นกันไปดูพระสารีบุตรบางคนก็ตื่นกันไปดูโจรที่ถูกทรมานพอดีแวกช่องให้ลูกศิษย์คนนั้นเห็นพระสารีบุตร เห็นชายจีวรเท่านั้นแหละพระสารีบุตรท่านก็แผ่เมตตาจิตด้วยอำนาจเมตตาจิตของท่านนั้นก็กระเทือนถึงกันเครื่องยืนยันแต่เข้าไปใกล้ไม่ได้เมื่อลูกศิษย์คนนั้นได้เห็นพระสารีบุตรก็เกิดความดีใจนึกในใจว่าวันพรุ่งนี้จะต้องลาอาจารย์คือจะต้องถูกประหารชีวิตก่อนที่จะลาอาจารย์นั้น ก็นึกถึงการกราบการไหว้การทำสักการะบูชาและก็คำนึงถึงคำภาวนาที่อาจารย์สอนให้แกก็ได้เจริญฌานทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบก็ได้ระลึกถึงความตายว่าเอาเราแน่ละไม่ต้องสงสัยเป็นมรณนานุสติแล้วก็ค้นคิดเข้ามาว่าเขาตายกันอยู่ที่ไหน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 ก็ย่อมออกผลให้เป็นธรรมดาแต่เราไปนั่งสังเกตดูสิว่ามันยาวขึ้นวันหนึ่งนาทีหนึ่งยอดมันยาวขึ้นประมาณสักกี่เซนให้ไปเขียนดูสิเขียนไม่ได้ยอดฟักทองลนะ่ะมันงอกออกมาวันหนึ่งได้เท่าไหร่เขียนได้ไั้มเล่าเขียนไม่ได้แต่เราเชื่อไหมว่ามันต้องงอกขึ้นทุกวันถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างนั้นแล้ว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 พี่ชายเป็นผู้จัดการที่จะนิมนต์พระไปในพัฒกิจในวันนั้นพระมหาปันโถกพี่ชายเห็นว่าพระจุลปันโถกนั้นขี้เกียจบาเพ็ญกรรมฐานก็ได้แก่สัพท์ก็ได้แก่สัพท์สงบมีถีนามิทะครอบงำจิตใจอย่าเอาไปกินข้าวในบ้านเขาเลยเลยไม่นิมนต์พระจุลปันโถกนิมนต์แต่พระองค์อื่นๆไปสี่ร้อยเก้าสิบเ้ารูป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 พระจุลปันทกเป็นองค์สำคัญวัดนี้เศรษฐีต้องไปนิมนต์ท่านเป็นองค์สำคัญองค์หนึ่งส่วนทางพระจุลปันทุกแ้นใจเขาเหยียดหยามย่ำดีวันนี้ตั้งอกตั้งใจจะไม่กินข้าวนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานบรรลุถึงฌานที่สี่จนดวงจิตตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเก้าวหน้าถึงขนาดนั้นเมื่อได้ฌานที่สี่แล้วก็เข้าฌานที่ห้า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 เกลื่อนกลนไปหมดบางองค์ก็นั่งสมาธิบางองค์ก็เดินจงกรมบางองค์ก็ซักจีวรนวุ่นวายกันไปทั้งวัดทีนี้คนไปนิมนต์ถามว่าพระจุลปันทหกอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้มือบอกไปข้างหน้าว่าอยู่ทางโน้นไปถามองค์โน้นก็ tamam. บอกต่อต่อไปถามไปจนหมดไม่ใช่จุลปันทหกซักองค์ถามไปองค์โน้นก็ชี้ไปทางนี้ ถามองค์นี้ก็ชี้ไปทางโน้นให้ยุ่งกันไปจนหมดเวลาฉันอาหารในที่สุดไม่ได้ก็วิ่งกลับไปในบ้านอีกเมื่อเข้าไปในบ้านที่ น, นี้พระพุทธเจ้าทราบว่าพระจุลปันโถกนั้นเป็นองค์แก่กล้าสามารถที่จะแสดงปฏิหารให้ปรากฏแก่เขาได้ก็จะได้หายจากการดูถูกเหยียดหยามย่ำยีพระองค์จึงทรงชี้แจงว่าให้ไปนิมนต์ใหม่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 จับแขนปั๊บเดียวเท่านั้นแหละพระทั้งหลายหายหมดเหลือพระองค์เดียวที่จับแขนอยู่เท่านั้นทีนี้ก็ได้นิมนต์ไปฉันอาหารบินทบาทในบ้านของเศรษฐีแต่นั้นพระจุลปันท ก, ก็เด่นในวงการคณะเป็นผู้สามารถทําการอย่างโลดโผนห้อยโหนโยนตัวสามารถตากแดดไม่ต้องร้อนสามารถตากฝนไม่ต้องเปียกทางไกลๆ สามารถที่จะไปให้ได้ถึงเร็วมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ตัวท่านองค์เดียวอยู่ที่นี้สามารถให้ไปปรากฏได้ที่ปราชาปรากฏที่อื่นๆทําได้ด้วยวิธีหลายอย่างพระจุลปันธุ์ก็กลายหายไปจากความแค้นที่หมู่คณะเหยียดยามเลยเป็นคนเด่นโดดลดโผนตั้งแต่นั้นต่อมานี่อานาจคุณงามความดีนั้น บางท่านก็โลดโผนเร็วแตกฉานกว้างขวางแก่ด้วยสมถะแก่ด้วยวิปัสนาสามารถที่จะโลดโผนและก้าวไปสู่พรนิพพานได้ในชาตินั้นนี่เรื่องความดีที่ได้อบรมทำมานั้นเป็นบารมีธรรมทั้งสิ้นฉะนั้นควรที่จะต้องพากันมีความภูมิใจในการกุศลนี้อีกเครื่องหนึ่งยังมีเทพพญยยดาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นผู้หญิง ในสมัยครั้งหนึ่งแกไปวัดไปเห็นมันรกในทางจงกรมของพระแกก็ไปเกี่ยวที่ห้อยในทางจงกรมนั้นเพื่อให้ความสะดวกในการเดินจงกรมของพระครั้งเดียวเท่านั้นแกแกทำด้วยความรักแกทำด้วยความเชื่อทำด้วยความนับถือทำด้วยความบริสุทธิ์จิตเพราะของที่รกรุงรังสกรปรกนั้นยังความเข้าใจให้เกิดขึ้นท่านเห็นเป็นเช่นนี้ จึงได้เก็บขี้ฝอยออกจากที่ทางแล้วก็หาน้ําล้างเท้ามาไว้ในที่นั้นเก็บขี้ฝอยที่เศษต่างๆกรกคลุมรางออกหมดแกก็รู้สึกว่าใจสบายผ่องแท้วกลับไปบ้านบังเอิญไปเกิดเป็นลมตายตายจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดามีบริษัทบริวารมีอาหารทิพมีปราสาสมีความอุลมสมบูรณ์อย่างมากมายเมื่อไปอยู่ที่นั้น ระลึกชาติได้เมื่อระลึกชาติได้อย่างนี้ก็นึกในใจว่าถ้าเราทำบุญมากๆก็จะได้ดีมากกว่านี้จะขอไปทำความดีอีกสักหน่อยเถะิะเพื่อให้มันยิ่งกว่าที่ได้รับผลอยู่ขณะ น, นี้แต่ก่อนไม่ยากรู้ว่ามันจะได้รับผลอย่างนี้ก็ได้ลงมาจากสวรรค์ไปเที่ยวหาพระอยู่ตามป่าตามดงพ่อไปเห็นพระองค์หนึ่งท่านกำลังเข้าสมาธิ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 ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ก็ได้ผลแค่นั้นบุญใหม่ควรทําต่อเขาไม่ให้ทํานี่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคนเราประมาทในบุญเล็กน้อยเมื่อตายไปแล้วจะมาทําบุญกุศลหนะักมันยากนะักยากอย่างไงกายเขาไม่เหมือนกายมนุษย์จะมาพูดกับมนุษย์ก็ไม่ได้จะมาใส่บาตร ท, ทาบุญก็ไม่ได้อย่างดีก็เพียงมายืนคอยอนุโมทนาเท่านั้น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 อย่าประมาทผู้ทําความดีได้ยังไม่สมใจอย่างนึ่งก็อย่าประมาทก็ควรจะถือว่าสิ่งที่เราทําลงไปนั้นเป็นทรัพย์ของเราทรัพย์ของเรานี้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเราม่ให้ตกไปในฝ่ายตับแม้อยู่ในโลกนี้เราก็อาศัยความดีคือธรรมะนี้เป็นผู้บ่งการชีวิตถ้าเราดับจิตไปจากโลกนี้ความดีก็จะต้องติดตามตนไป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 ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมพีระเมธาจารท์ท่านพ่อลีธรรมะโรวัดอโศการามเรื่องกิเลสมาน รรมาของในโลกจะมีแต่ชั่วอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความดีอยู่ด้วยเป็นธรรมดามานที่เป็นเครื่องเกีดกั้นก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจัดกันเราขายเดียวบางคราวบางสมัยเขาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นบริษัทบริวารของเรา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 เป็นประโยชน์แก่มารอย่างครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าของเราได้ปลอบและกระทาความคุ้นเคยแก่พญามาราธิราชพญามาราธิราชนั้นก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในวาทะยินดีในกุศลของพระพุทธเจ้าที่ได้สร้างคําเพลิมาต่อจากนั้นพญามารก็หมดอำนาจถวายการสักการะบูชาแล้วก็ได้เคลื่อนคลาด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 จิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่สามารถที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากตนมีความพัวพันติดแน่นนี่ท่านเรียกว่าอาวิชชาปรุบลงมาก็คือติดปัจจุบันสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่ากิเลสธรรมกิเลสธรรมนี้มันเป็นมารมันรบกวนเราอยู่ทุกเวลาจึงเรียกว่ากิเลสมารมันเป็นมารได้อย่างไร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 อารมณ์ที่ตนรักตนชอบอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าอยากเหมือนกันแต่ไม่ใช่อยากที่เจือด้วยราคะคือมันอยากเจือด้วยโลภนี่มีอยู่สองไตยะอย่างนี้เป็นรสของตัณหาซึ่งมันกลั่นออกมาจากการมตัณหากลั่นออกมาจากภาวะตัณหากลั่นออกมาจากวิภวะตัณหามันมีอยู่ในสองลักษณะอยากที่เจือด้วยราคะ อยากที่ปราศจากราคะแต่มันก็อยากนี่มันเป็นกิเลสมันแต่และอย่างแต่และอันนี้มันเป็นสิ่งจิตกันกั้นจิตมีให้จิตของเราโน้มไปสู่สัมมาสมาธิท่านจึงจัดว่าฉันทะมันเป็นตัวนิวรความพอใจความรักใคร่ความปรารถนาแต่ไม่มีราคะเจือปนเรียกว่าฉันทะฉันทะตัวหนึ่ง เรียกว่าฉันทราคะมันหนักกว่านิวรณ์ชันธานิวรณ์นี้มันเบาฉันทราคะมันเป็นค่าศึกของศีลฉันทานิวรณ์มันเป็นค่าศึกของสมาธิเหตุนี้จึงจัดว่าเป็นมารในข้อนี้เรียกว่ากิเละมาร น, นี่เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งปัญญาภิสังขารคือคิดแต่งบุญแต่งบาปตับสร้างความดีในทางจิต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 ด้วยอำนาจอิทธิพลประชาชนจึงราบคาบในทางพระศาสนาท่านก็ได้ช่วยเหลือบำรุงส่งเสริม ส, สร้างความดีสร้างเสียจนเกิดโทษคือถวายทานถวายจตุ ป, ปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์มิได้ขาดต่อมาวันหนึ่งท่านคิดว่าเราจะเอาเงินออกทองมาเพื่อไปแลกเปลี่ยนเครื่องไทยทานมาถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชามาดำริคิดนึกตึกตรองอยู่อย่างนี้การทำก็ยังไม่เป็นที่พอใจทรัพย์สินเงินทองก็ยังไม่สมปรารถนาพอดีเกิดอาพาธเมื่อเกิดอาพาธขึ้นก็อยากจะรีบทาบุญเสียให้สมความคิดจึงให้อมาตไปเบิกเงินในท้องพระคลังซึ่งเป็นของรัฐบาลแต่มีส่วนของพระองค์ด้วย เรียกว่าพระคลังข้างที่เมื่อไปเบิกขุนคลังเขาก็ไม่ยอมจ่ายคือเขาเห็นว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่จ่ายทรัพย์สินให้แกอ่อมาตอมาต์ก็ได้มากราบทูลถวายแ ก, พยรรมมก่พระยาสีธรร ม, มโสกราชพระยาสีธรรมโสกราตเกิดเสียพระทัยว่าสมบัติของกูเมื่อต้องการเอามาถวายฐานให้เป็นพุทธบูชาให้เป็นธรรมบูชาให้เป็นสังฆบูชา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 ซึ่งเพื่อนไปทอดแหยอยู่กลางห้วยกลางหนองใส่บาดอยู่ก็คิดนั่งฟังเทศอยู่ก็นึกแต่ไม่นึกจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นแต่นึกว่าถ้าเพื่อนได้มาจะได้กินแต่เพื่อนคนที่ไปทอดแหยนั้นนะ่ะแกก็เอาใจไปฝากไปว่าเพื่อนเราไปใส่บาดป่านนี้ใส่บาดหรือยังหนอเพื่อนคนที่ไปรับศีลป่านนี้เข้าคงจะรับศีลกันแล้ว เพื่อนผู้ฟังเทศก็คงจะได้บุญมัวแต่นึกอยู่อย่างนี้แหละด้วยอำนาจแห่งเจีตินารมณ์ที่เป็นกุศลทอดแหไม่ได้สักตัวปลาไม่ติดแหสักตัวพอได้ยินเสียงที่เขาตีคองตีมงเสียงมุยขึ้นครั้งหนึ่งแกก็วางแหสาทุทุกคราวไปจนค่ำมัวแต่ไปงมอยู่ในทางบุญทางกุศลผลที่ทาบาปไม่สาเร็จ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 มันก็เป็นมานของเราเช่นเราจะไปทาํานาหาเวลาไปวัดก็ไม่ได้มันยังไม่พออยู่พอกินเราจะไปค้าขายรายได้มันจะไม่คุ้มหรือเรามีธุรกิจการสําคัญจะต้องทําโน้นจะต้องพูดนี้จะไปเที่ยวความคิดนึกตึกรองอย่างนี้ก็หมดโอกาสที่เราจะไปสร้างสร้างคุณงามความดีมันก็ผัดไปสิทีนี้กินแกงผัด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 เราจึงค่อยเข้าวัดมันก็กินแกงผัดเรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าหวานหมูละ่ะหมูหวานละ่ะคือพยามาลมันกลืนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในที่สุดถ้ามันแก่เท่าเข้าจริงๆลูกก็เป็นห่วงห่วงว่าแม่แก่ลาบากอย่าไปเขาหลอกก็เชื่อถ้าไปมันเป็นลมเป็นแรงแล้วก็ลาบากก็เชื่อเขาตาก็ไม่เห็น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 ความไม่รู้เหล่านี้เรียกว่าเป็นอวิชชากล่าวสรุปลงไปอีกไม่รู้จักมักการที่ไม่รู้จักมักเช่นมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่กายานุปัสนามาพิจารณากายไม่เข้าใจในกายไปเห็นว่ากายเป็นจิตเห็นว่าจิตเป็นกายนี่เป็นอวิชชามันมืดปิดกายปิดจิตให้เกิดความคิดว่ามันเป็นอันเดียวกัน ไม่สามารถจะแยกกายออกจากจิตไม่สามารถจะแยกจิตออกจากกายนี่ท่านเรียกว่าไม่รู้จักมักเวทนานุปัสสนาไม่รู้จักเวทนาเวทนาคือความเสบย อ, อารมณ์ซึ่งเป็นสุขบางขณะซึ่งเป็นทุกข์บางครั้งไปเข้าใจว่าสุขเป็นจิตของตนไปเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความสุขไปเข้าใจว่าทุกข์เป็นตน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 ไปเข้าใจว่าวิญญาณเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นวิญญาณวิญญาณนี่มันไปได้อย่างเราเห็นรูปอยู่ในกรุงเทพมันก็แล่นไปได้หมดแต่จิตมันไม่ไปไอการไปนั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมันไม่มีตัวโสตะวิญญาณบางคราวมันก็จาเสียงได้แต่ก่อนบางคราวมันก็จำเสียงได้แต่ก่อน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 กายเวิญญาณรู้จักอากาศร้อนอากาศเย็นเราจําได้เย็นอย่างนั้นเย็นน้ําเย็นอย่างนั้นเย็นลมร้อนอย่างนี้ร้อนไฟร้อนอย่างนี้ร้อนอากาศร้อนอย่างนี้ร้อนแสงแดดจําได้ชัดเจนสา ม, มารถที่จะแต่งแหวกตาราได้ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่ากายยาวิญญาณมโนวิญญาณก็คือนึกไปนึกไปกรุงเทพ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 จึงจะเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลนี่แสดงถึงเรื่องกิเลสมารต่อมาจากขันธมารยังมีอยู่อีกสามจำพวกจะได้แสดงในการต่อต่อไปในโอกาสหน้าฉะนั้นเมื่อพวกเราพุทธบริษัทมาได้ยินได้ฟังก็จงพากันสนใจสำเหนียกน้อมนึกตรึกตรองมองเข้าไปถึงสภาพของตนแล้วปฏิบัติตามบำเพ็ญให้ถูกต้องตามสัมมาปฏิบัต ก็จะเป็นผู้สบายคนชั่วก็มาช่วยเราคนดีก็มาช่วยเราหมดภัยโจรก็เป็นคนใช้คนสอยมาช่วยกิจช่วยการช่วยงานต่างๆนักปราบบัณฑิตก็มาช่วยงานช่วยการเราจะมีความตกต่ําใกล้ที่ไหนหันไปหาคนฝ่ายต่ําเขาก็มาช่วยหันไปหาคนฝ่ายดีเขาก็มาช่วยเพ่งไปในฝ่ายมารที่เป็นศัตรู กลับเป็นพวกเพื่อนมิตรสหายกลายเป็นพวกสนิทสนมอะไรเป็นมารก็ไม่ทราบละทีนี้มันก็ไม่เป็นมารอะไรสักอย่างเป็นของกลางอยู่ในโลกทั้งหมดคนนึกได้อย่างนั้นก็จะหมดจากความทุกข์ความขัดข้องจะมีตั้งแต่ความสว่างไสวเบิกบานดาเนินตนสะดวกไม่มีขัดจะถอยหน้าก็ไม่ติดถอยหลังก็ไม่ติดเดินหน้าก็ไม่ข้อง ไปได้เหมือนกับเรือนี่จึงเรียกว่าสุขะโตเป็นผู้ไปดีฉ่นั้นพวกเราผู้ ส, สร้างบารมีธรรมจึงสมควรที่จะต้องปฏิบัติตัวได้อย่างนั้นนี่แสดงมาในกิเลสมาลกถาแกบทเดียวก็จะยุติตรงเสมอเพียงเท่านี้